ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสากรังเอวเมีวิโตทินังเปตานางอุปกะปติิจิตังปติจังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกะปาจันโทปนรสูยะามนิโชติระสียาธา ซาเปียติโยวิวันตุสาภาโรโควินาสตุมาเตปภาวะวันตาไรโยสุขี อายุกุลภาวาปิวานธนสิเลสานิจังวุฒาปัจจายยินเอาจัตตโรอธรรมวันทานติอายุอันนอสุขังภาลั ยุวัตโกยทนาวัตโกยศรีวัตโกยยาสวัตทารวัตโกยวนาวัตโกสุขวัตโกโหตุสาปัตตาตุคารโอคาภพยยะ เวราโสกาสตุจุปัตถวาเนกาอันตรายาปิวิน an ักสันตุจเตสัสายเซติธานังโสทิภาขยังสุขังพาลังสิริอายุจาวัฏ โนจ่าโพคางวันทีใจยศวาสตวัดสาจายูจ่เชียวเสติภาวันตุเตภวาตุสาฆาลังราคันตุสาภาเทววตาสาปปบท นุภาเวนัสธาสดทิภาวันทุเทตภวตสุสะพามังคาลังราคันตุสาวาตาสาภาธรรมานุภาเวนัสธาสดทิภาวัน ภาวุสาภามังฆาลงรคันตุสาวตาสาภสังคานุภาเวนะสาทาโสติภาวันตุเต